ซีดีธรรมบรรยายชุดทันโลกถึงธรรมพุทธศกราช 2,548 โดยพระพรมคุณาพรปออประยุตโตวัดยานเวส ก, กวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องปีสีใช้ให้ครบสี่เท้าต้องก้าวหน้าแน่ บรรยายเมื่อวันที่ย4บธันวาคมพุทธศักราช2548เจริญสุขสวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านทุกคนเวลานี้คนไทยแทบจะทุกคนกำลังมีใจรวมกันอยู่ อย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นคงจะเป็นคนทั่วทั้งโลกนี้กำลังมีใจรวมกันในเรื่องหนึ่งเรื่องที่ว่านี้ก็คือเรื่องการเวลาที่ปีเก่ากำลังจะสิ้นสุดไปแล้วก็ขึ้นสู่ปีใหม่ใจรวมกันนี้เป็นเรื่องที่ดีเรียกว่าความสามาคัคคีแต่ว่าทำไงเราจะใช้ คามสามคัคคีที่รวมใจนี้ให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่เอาละถึงยังไงก็ตามตอนนี้ก็จะมีใจรวมกันใจรวมกันตอนส่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็เลยสนุกสนานบันเทิงจัดงานกันทั่วไปหมดตอนนี้ได้ยินสับฝรั่งมีการใช้คำว่าข้าดาวแต่ก่อนนี้ก็ไม่เคยได้ยินหรือแทบจะไม่ได้ยินเลย มาปีนี้ได้ยินบ่อยอันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าสังเกตอันหนึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องของกระแสสังคมแต่ว่าพูดโดยรวมก็คือเป็นเรื่องของความสนุกสนานบันเทิงเป็นเรื่องที่ว่าใจเราจะมีความสุขการที่มีความสุขนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าพูดทางภาษาภ า, าษาศาสนาก็เรียกว่าเป็นสิริมงคลและโดยเฉพาะ ปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยคือปีพศ2549เราไม่เรียกตามแบบฝรั่งถ้าแบบฝรั่งก็2006อันนี้ปีใหม่คราวนี้เสียงหรือตัวหนังสือตัวเลขเนี่ยของพุทธศักราชแบบไทยเรารู้สึกว่าจะมีความหมายดีกว่าว่า2006ได้ฟังดูก็ อย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าฟัง 2,549 คนไทยนี่ไปติดใจเลขเก้าตอนนี้ได้ยินเยอะเลยอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี้ดูได้เห็นภาพต่างๆก็มีเรื่องเกี่ยวกับ999โดยถือเป็นเรื่องของพิธีมงคลที่เกี่ยวกับการขึ้นปีใหม่ 2,549 ก็หมายความว่าคนไทยเรานี่ก็เป็นคนที่ ค่อนข้างถือโชคลางกันพอสมควรพอเห็นรอยเกล็กเก้าก็ชอบพอบอกว่าขึ้นปีใหม่2549เก้า็ดีใจว่าเออปีใหม่ปีนี้ดีนะเป็นปีดีเป็นปี4ีเเราจะได้มีความเจริญก้าวหน้าก็มองอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องโชคลางแต่ว่าเป็นบกการมองในแง่ดีก็ดีเหมือนกันและเราก็ถือโอกาสอวยชัยให้พรกันด้วย ในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสิริมงคลเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องความดีความงามอย่างหนึ่งแม้จะเป็นเรื่องโชคลางก็เอาเป็นว่าเราเก้าไปสู่ปีที่ดีปี2549แล้วเราก็อวยชัยให้พรกันในเบื้องต้นว่าขอให้เจริญก้าวหน้าต่อไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามแค่นั้นคงไม่พอเพราะว่า เพียงคิดว่าจะให้ตัวเลขมามีความหมายดีแต่เราไม่ทําอะไรนี่มันจะก้าวไปได้ยังไงตัวเลขอย่างเดียวก็วเป็นเลข9แล้วเราไม่เดินก้าวไปนี่มันจะก้าวไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีๆแล้วกันเรื่องโชคลางนี่บางทีก็เอาไปประสานใบบรรจบกับเรื่องของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อย่างที่เห็นในหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี้ก็จะมีพิธีมงคล เอาพระมาะต้อง9999องค์ก็เป็นเรื่องของการเชื่อถือในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์อิทธิริศปาฏิหารอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องวางใจให้ถูกต้องแต่ว่าเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับสังคมไทยของเราว่าเราเนี่ยมีความเชื่อถือในเรื่องโชคลางเรื่องอิทธิริศปาฏิหารมาก อันนี้โชคลาภมันก็เป็นเรื่องของความแล้วแต่จะเป็นไปคล้ายๆลัทธิที่เรียกว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยถ้าเป็นเรื่องอิทธิริษปฏิหารมันก็เข้าแนวของลัทธิหวังผลดนบันดาลก็ต้องระวังเหมือนกันนี้ก็เฉียดๆกันอยู่กับพระพุทธศาสนาบางทีเราเรียกว่าพุทธศาสนาแต่วันวิเคราะห์กันดูแล้วก็ยังน่าสงสัยหรือน่าแคลงใจอยู่ ไงก็ตามก็เป็นเรื่องที่ทางพุทธศาสนาชาวพุทธเราจะต้องวางใจให้ถูกในเรื่องของปีใหม่ 2,549 นี้ถ้ามองในแง่ที่บอกเมื่อกี้นี้เรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์คนไทยเราชอบมากก็ให้มองในแง่ดีแต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวเองด้วยว่าจะติดอยู่แค่นั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้มาเถียงกันว่าปาฏิหาริย์หรือฤทธิ์เนี่ยจริงไม่จริง แต่ท่านสอนไว้ว่าถึงจริงก็ไม่หวังพึ่งนี่คือสำคัญในคําคำสอนพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงนี้คือจริงยอมรับได้เลยแต่ว่าไม่ให้หวังพึ่งก็หลักการใหญ่เราก็จำกันทั่วทุกคนบอกว่าให้รู้จักพึ่งตนเองแล้วไปหวังพึ่งฤทธ์ก็ฤทธิ์เป็นของคนอื่นมันก็แสดงว่าเราเนี่ไม่ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาที่แท้ฤทธิ์นี่ก็ เป็นเรื่องที่ว่าคอยให้คนอื่นบรรดาลให้แล้วนำดูตัวเองเมื่อรอให้เขาบัรดาลให้เนี่ยเราอ่อนแอรหรือเปล่าถ้าเราไม่ทำเองไม่ทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยกลายเป็นความอ่อนแอไหมเรื่องริดเรื่องปาฏิหารเราจะต้องทำให้เกิดมีของตนเองพุทธศาสนานี่ท่านไม่ให้รอหวังพึ่งริผู้อื่นแต่ให้สร้างริดให้เกิดมีของตนเองขึ้นมา วัะ น, นั้นก็จะมีหลักธรรมที่สอนไว้ชัดเจนทุกคนชาวพุทธรู้จักหมดเลยหลักธรรมข้อ น, นี้แต่ว่าบางทีไม่ได้นึกคำว่าฤทธิ์เนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าอิทธิคือฤทธิ์นี่เป็นสันสกฤตแล้วบาลีเรียกว่าอิทธิบางทีเราก็พูดควบกันเป็นว่าอิทธิฤทธิ์คือว่าบาลีอิทธิสันสกฤตฤทธิธ์ก็เป็นอิทธิฤทธิ์พูดซ้อนเป็นคําซ้อนกันซ้ําซ้อนอันนี้ บางทีเราก็พูดว่าอิทธิปาฏิหาริบางทีก็พูดว่าริดปาฏิหารก็คือคําเดียวกันนั่นแหละนี่เรื่องริดเรื่องปาฏิหารเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ท่านไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่จริงแต่ท่านบอกว่าจริงก็ไม่หวังพึ่งข้อสําคัญคือว่าต้องสร้างริดขึ้นมาเองหลักธรรมให้สร้างริดอ้าเมื่อกี้บอกแล้วว่าริดคืออิทธิแล้วหลักธรรมอะไรที่สร้างริด หลักธรรมนี้รู้จักกันทั่วหมดแล้วก็คืออิทิบาทนั่นเองอิทิบาทอิทิกรฤตริตแปล ว, ว่าความสำเร็จก็ได้ความรุ่งเรืองก็ได้แล้วบาทแปลว่าอะไรบาทก็บาทก็บาทาบา ท, า, บ า, ทาก็เท้าเท้าก็คือเครื่องมือที่จะก้าวไปก้าวไปสู่อิทธิก็คือเท้าที่จะก้าวไปสู่ริสนั่นเองเท้าที่จะก้าวไปสู่ความสาเร็จ ความรุ่งเรืองนี่ถ้าใครได้ปฏิบัติตามหลักอิทิบาทสีเนี่ยก็จะเป็นผู้มีฤทธิ์และเป็นผู้มีฤทธิ์ที่เราทําเองแล้วก็จะสมชื่อกับปี2549ที่9ไปเพราะว่ามีสี่เท้าเลยเทอนนี้เรามีสองเท้านี่เราไม่ค่อยเก้าท่านเลยให้สะสี่เท้าเลยเนี่ยตอนนี้มีอิทิบาทนี่สี่เท้าบาถาสี่และบาถาสี่ ให้ตั้งสีแล้วยังไม่ยอมก้าวก็เห็นจะแย่แล้วครานี้นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้เท้า4อิอธิบาทเนี่ยก้าวกันไปสักทีอิธิบาท4เนี่ยถ้ามีแล้วก้าวแน่นอนก้าวไปสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องมา น, นึกว่าเราจะไปหวังแต่เพียงว่าตัวเลขเป็นสี่มงคล49เท่านั้นแต่เราต้องก้าวด้วยถ้าเราอยู่เฉยเฉยนี่การเวลามันก้าวตลอดเวลา จริงหรือไม่การเวลานี้ไม่เคยหยุดไม่ว่าเราจะหลับจะตื่นจะนอนจะพักยังไงก็ตามเนี่ยการเวลาไม่เคยหยุดเลยเมื่อการเวลาก้าวไปตลอดเวลาถ้าเราหยุดเรานิ่งเราก็กลายเป็นคนประมาทไม่เจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคนเนี่ยจะต้องก้าวอย่างน้อยก็แข่งกับการเวลาให้ทันการเวลา แล้วท่านที่ประสบความสาเร็จในอิทธิบาทก้าวไปได้อิทธิบาทก็จะเป็นผู้เหนือการเวลาได้เพราะนั้นอย่าไปมัวปล่อยตัวเรื่อยเปื่อยไปตามกระแสแล้วก็หวังพึ่งฤทธิอิทธิเดชสิ่งโดนบันดาลจากภายนอกให้เรามาสร้างฤทธิได้ตนเองโดยใช้อย่างน้อยอิทธิบาทสเรื่องอิทธิบาท4ี่นี้ก็ไม่จาเป็นจะต้องอธิบายเพราะว่าเป็นธรรมะที่ ชาวพุทธทุกคนรู้จักกันดีก็เรียกเอาเป็นธรรมะง่ายๆเอาแต่เพียงหัวข้อก็แล้วกั น, แ, กนแม้แต่เด็กๆถ้าเรียนพุทธศาสนามาแล้วต้องถือว่าจำได้ทุกคนฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาถ้าจำง่ายๆก็อะไรดีก็เอาว่ากันให้เป็นคำคล้องจองนิดหน่อยเจนบอกว่าข้อหนึ่งฝ่ายรู้ฝ่ายสร้างสรรค์ข้อสองเพียรขยันก้าวไปนี่แหละก้าวแหละข้อสอง และข้อ 3. ใจมุ่งมัน่นอุทิศตัวคือทำอะไรก็ใจมุ่งมัน่นอุทิศตัว 4. ใช้หัวคิดพินิจการคือไม่ทำแบบว่าเลื่อยเปล่อยต้องรู้จักใช้หัวคิดด้วยอันนี้ก็เป็นหลักของอิธิบาท4แบบง่ายๆภาษาไทยฉันทะวิทยาจิตตะวิมังสาหรือจะใช้อีกชุดหนึ่งก็ได้ง่ายๆใจรัก ภาคเพี้ยนทมเอาจิตฝักใยใช้ปัญญาสอบสวนจะใช้ชุดไหนก็ได้แต่ว่ารวมความก็คือเป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่ง่ายๆตอนนี้ถ้าเราใช้อิธิบาทเป็นว่าเรามีสี่เท้าที่ก้าวไปสู่ความสําเร็จก้าวไปสู่ฤทธิ์ก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองความเจริญถ้าเป็นชีวิตบุคคลชีวิตบุคคล น, นั้นก็เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ไปรวมกันเป็นชุมชนชุมชนก็เจริญงอกงาม ไปเป็นประเทศชาติประเทศชาติก็เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จยุคนี้เขาแบบเป็นยุคแห่งการแข่งขันก็ไม่ต้องกลัวการแข่งขันนั้นมีความสำเร็จแน่ประสบชัยชนะในการแข่งขันได้ถ้ามีที่บาทสี่ประการเพราะนั้นเวลาปีใหม่ที่มาถึงเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจแล้วว่าการเวลาเขาก้าวไปแล้วนะเขากาลังจะทิ้งปีเก่าก้าวคือสู่ปีใหม่แล้วเขาจะไม่รอเราเลยเป็นอันขาด เพราะฉะนั้นเราจะต้องก้าวเราจะไปหยุดนิ่งไม่ได้อันนี้คือคติที่เหนือกว่าการที่จะไปเอาแค่เลขก้าเป็นสิริมงคลทีก็คือทําให้ตัวก้าเนี่ยมีผลที่แท้จริงขึ้นมาในการที่เราก้าวไปอันนี้เป็นอันว่าขั้นที่หนึ่งไม่หยุดไม่นิ่งไม่เฉยแต่ต้องก้าวไปพร้อมกับคู่กับ แข่งกับการเวลานั้นอันนี้ขั้นที่หนึ่งและไม่หยุดก้าวไปแต่ว่าแม้เมื่อก้าวไปก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะประสบความสาเร็จก็ต้องระวังอีกบางคนนี่จะก้าวเดินไปแต่ไม่มีกำลังไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมอ่อนแอและจะก้าวไปยังไงก็ไม่มีกำลังจะก้าวไปบางคนไม่มีกำลังไม่ได้พัฒนาทำตัวให้พร้อม จะเป็นก้าวเป็นส่วนตัวหรือก้าวเป็นสังคมชุมชนประเทศชาติก็ตามแต่ชอบโก้เอาอะไรต่อะไรมาประดับตกแต่งตัวซะโก้หรือทําเป็นพลุงพลังเสร็จแล้วก้าวไปนี่ก้าวไปมันไอเนื้อตัวมันไม่ได้แข็งแรงจริงนะ่ยมันพอกเอาไว้ข้างนอกไอกลายเป็นว่าสิ่งที่พอกอไว้ข้างนอกเนาะเป็นภาระรุงรังจะทําให้ตัวเองยิ่งหยอบแยบดีไม่ดีจะลม้มจะหรือว่าจะไป ป่วยไข้กลางทางจะไปไม่ไหวเอาจะสุดหนักเพราะนั้นคนที่ก้าวไปเนี่ยก็คือจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมจะต้องพัฒนาตนทำตนให้แข็งแรงให้เป็นคนที่มีคุณภาพอย่างสังคมไทยเนี่ยต้องดูว่าคนไทยเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความพร้อมมีสติปัญญาความสามารถเพียงพอไหมที่จะก้าวไปในการแข่งขันเป็นต้น ในระดับโลกหรือในระหว่างประเทศอะไรเนี่ยเรามีความพร้อมหรือเปล่าคิดจะ ก, ก้าวไปก็ต้องมีความพร้อมเตรียมตัวให้พร้อมเสริมสร้างพัฒนาคุณสมบัติที่ดีก็คือสติปัญญาความสามารถเป็นต้นให้เกิดมีขึ้นมาไม่ใช่ก้าวไปโดยที่เอาอะไรแต่อะไรมาพอกเป็นของคนอื่นทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นงงก็ไปไม่ไหวเหมือนกันอันนี้เป็นประการที่2ต่อไปประการที่3ก็ต้องมีปัญญาอีก ต้องมีปัญญารู้ว่านี่เราจะก้าวไปไหนมีจุดหมายที่ชัดเจนแล้วก็รอบข้างทางทั้งสองข้างทางนี้จะมีอะไรจะต้องเจออะไรมีอุปสรรคอะไรบ้างที่เราจะต้องแก้ไขดูให้รอบด้านสถานการณ์ปัญหาและต่างๆที่จะต้องพบต้องมีความสามารถในการที่จะบุกฝ่าแก้ปัญหาข้างหน้าและไปให้บรรลุจุดหมายให้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าจะต้องใช้ตัวสําคัญก็ปัญญานี่แหละ ดังนั้นการที่จะก้าวไปสู่จุดหมายนี่แม้จะมีกําลังพรั่งพร้อมแล้วถ้าก้าวไม่เป็นก้าวไม่ถูกอาจจะลงหลุมลงเหวไปเลยเก้าวผิดที่จุดหมายไม่ได้ตั้งไว้ให้ดีบางบางสังคมหรือโดยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยน่าสังเกตว่าขาดจุดหมายที่ชัดเจนไม่มีจุดหมายรวมของสังคมใช่หรือเปล่าก็ขอให้เราช่วยกันพิจารณาดูด้วย ถ้าหากว่ามันบกพร่องอะไรก็เป็นเวลาที่จะมาสารวจตรวจสอบตัวเองแล้วก็ปีใหม่เนี่ยเป็นเวลาที่จะได้มาตั้งตัวนอกจากตั้งตัวตรวจสอบตัวเองแล้วก็มาพัฒนาแก้ไขปัญหาทำตัวให้พร้อมจริงๆให้ปี49เป็นปีแห่งการก้าวหน้าที่แท้จริงนั้นตกลงว่า 1. ต้องก้าวไปไม่ใช่อยู่นิง่ง2ในการก้าวไปนะั้นต้องมีกาลังมีความพร้อมมีสติปัญญาความสามารถเป็นต้น ที่จะก้าวไปได้โดยที่ความก้าวพลังในการก้านั้นอยู่ในเนื้อในตัวของตัวเองไม่ใช่ไปที่เอาอะไรตะไลมาพอกอวดโก้กันไปหรือเป็นของฉาบฉวยลอดตาอะไรเท่านั้นเพราะคนไทยเรามีค่านิยมอันหนึ่งคือชอบโก้อันนี้ต้องระวังมากถ้าเอามาแค่อวดโก้กันเท่านั้นนี่ก็จะเป็นอันตรายต่อไปอย่างที่สอย่างที่บอกแล้วก็คือต้องรู้จุดหมาย แล้วก็ไปให้ถึงจุดหมายโดยไม่ตกหลุมตกเหวในระหว่างทางซะก่อนถ้าได้แค่นี้และอย่างนี้ก็ถือว่าการก้าวไปในปี2549นี้ก็จะเป็นการก้าวที่แท้จริงจะประสบความสําเร็จแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยก็ใช้อิทธิบาท4ี่เท้านี่ก้าวไปจะประสบความสําเร็จแน่นอนเอ็นี่ว่าว่าเรามีอิทธิบาท4ี่ประการแล้วนี้เราก้าวไป ประสบความสําเร็จด้วยดีเรียกว่าสี่เท้านี่เราจะก้าวไปในการทําอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจรารณาก้าวไปในการทําอะไรก็ขอยกตัวอย่างสักชุดหนึ่งอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นเราสามารถจะทําการต่างๆที่จะทําให้เกิดความเจริญงอกงามทุกระดับทั้งระดับตัวบุคคลส่วนตัวทั้งระดับชุมชน ทั้งระดับประเทศชาติแล้วก็เกื้อกูลระดับโลกไปด้วยอันที่หนึ่งก็คือหลักพุทธศาสนาท่านสอนให้เราทําถิ่นที่อยู่ถ้าเป็นตัวเองบ้านครอบครัวก็คือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้วก็ถ้าเป็นชุมชนก็ท้องถิ่นทั้งหมดและขยายไปก็ประเทศชาติของเราเนี่ยทำให้เป็นท้องถิ่นดินแดนที่น่าอยู่น่าอาศัยเป็นถิ่นที่เหมาะสม เป็นดินแดนที่ดีงามมีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยมีความมั่นคงแล้วก็มีธรรมชาติมีสิ่งแวดล้อมที่รื่นรมน่าอยู่อาศัยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นถ้าหากว่าเราขาดที่อยู่อาศัยท้องถิ่นสภาพแวดล้อมที่ดีงามแล้วมันก็ไม่ชวนให้หน่าอยู่และจะไม่เกื้อหนุนทางพระเรียกว่าไม่เป็นสปายะในการที่จะไปสร้างสารรค์ความเจริญอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจะต้องทํา ทินที่อยู่อาศัยประเทศชาติบ้านเมืองของตัวเองเนี่ยให้ดีงามเรียบร้อยสงบมั่นคงปลอดภัยไม่ใช่มัวแต่มีการลบรลคกขาบฟันมีโจรผู้ร้ายมากมายเบียดเบียนแย่งชิงซึ่งกันและการสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆมีแต่ขยะมีแต่ควันพิษอย่างนั้นก็เสียเพราะฉะนั้นจะต้องคิดแก้ไขการทาให้ดีถ้าถินที่อยู่ของเราสิ่งแวดล้อมประเทศชาติบ้านเมืองเรียบร้อยน่ารื่นรม น่าอยู่อาศัยอย่างนี้แล้วจิตใจเราก็จะมีความสุขแล้วก็จะสามารถก้าวไปในการพัฒนาต่อไปเมื่อด้านวัตถุสิ่งแวดล้อมอะไรแต่อะไรดีแล้วก็อันที่สองก็คือคนคนก็คือคนที่เราครบหาอยู่ร่วมเนี่ยก็ให้เป็นคนดีถ้าเป็นเด็กก็รู้จักคบหาเพื่อนที่ดีรู้จักที่จะรับประโยชน์จากคุณพ่อคุณแม่ รับประโยชน์จากครูบาอาจารย์เป็นต้นรับประโยชน์จากสื่อมวลชนการดูการฟังทีวีอะไรการใช้อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆพวกนี้การใชไอที IT จะต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือการครบหาสิ่งแวดล้อมการสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมต่างๆเนี่ยให้ได้ประโยชน์ให้ได้สิ่งที่เป็นคุณค่าอันนี้มีทุกระดับขยายขึ้นไป อย่างในระดับของผู้บริหารประเทศชาติก็เราก็จะต้องมีข้าราชการที่ดีมีที่ปรึกษาที่ดีมีนักการเมืองที่ดีมีผู้บริหารทุกระดับชั้นข้าราชการทุกระดับชั้นที่ดีงามซื่อตรงขยันหมั่นเพียรตั้งใจดีทํางานเพื่อประเทศชาติถ้าผู้บริหารประเทศชาติผู้นํามีคนที่ดีแวดล้อมก็เรียกว่าครบคนดีถ้าครบคนดีก็มีหวังที่ประเทศชาติจะเรือรุ่งเงงอกงาม ตั้งแต่ในบ้านแต่ละบุคคลก็เช่นเดียวกันเด็กแต่ละคนก็ต้องรู้จักฝึกที่จะคบหาคนดีมีเพื่อนที่ดีแล้วเพื่อนที่ดีนี่ทางพระท่านไม่จะจำกัดเฉพาะเพื่อนที่มีวัยเดียวกันแม้แต่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็เรียกว่าเป็นเพื่อนในชื่อว่ากัลยาณมิตรนี้ก็รู้จักคบหาได้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดีอันนี้ก็จะเจริญก้าวหน้าไปก็เป็น องค์ประกอบที่จะต้องสร้างสรรค์ในการเตรียมก้าวไปให้ได้ผลดีต่อไปประกาศที่3ก็คือความพร้อมในตัวเองคุณสมบัติในตัวเองท่าเรียก บ, บุญความดีงามต่างๆสติปัญญาความสามารถความมีคุณธรรมต่างๆความขยันหมั่นเพียรความมีสติสมาธิความรับผิดชอบความมีวินัยความมีศีล ต่างๆเหล่านี้ไปสิ้นสุดที่ปัญญาคุณสมบัติเหล่านี้จะต้องสร้างให้มีขึ้นในตนเป็นทุนดีที่ต้องเตรียมไว้ตลอดเวลาเตรียมให้พร้อมไว้แต่ต้นเมื่อเตรียมขึ้นมาไว้มีในตัวอยู่ก่อนพร้อมแล้วทะเลกว่าเป็นปุเพกะตะปุญญ า, าเพราะว่ามีบุญที่เตรียมทําไว้ก่อนแต่ต้นเตรียมพร้อมแล้วนี่พอ ม, มีสถานการณ์ที่ต้องใช้ขึ้นมาเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติการในทันทีแต่คนที่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้สร้างทุนดีเตรียมพร้อมไว้ ไม่มีปัญญาไม่ได้รับการศึกษาเป็นต้นพอเจอสถานการณ์ที่ต้องทําต้องปฏิบัติขึ้นมาก็ไม่พร้อมที่จะทําก็เกิดเกิดติดขัดเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการศึกษาให้เด็กเล่าเรียนกันไว้แต่ต้นตั้งแต่ใยเด็กใบเล็กกรเพราะอะไรก็เพราะว่าให้เขาเป็นผู้มีทุนดีได้เตรียมไว้ต่อไปข้อที่4ี่ก็คือพอมีทุนดีอะไรต่างๆแล้วทีนี้ก็ตั้งตัวให้แน่วไปเลยตั้งตัวแน่วสู่จุดหมาย จุดหมายของตัวเองของชีวิตเป็นอย่างไรของชุมชนเป็นอย่างไรของสังคมประเทศชาติมันต้องมีเวลานี้เราต้องสํารวจว่าชีวิตเราเนี่ยมีจุดหมายชัดเจนไหมครอบครัวสังคมประเทศชาติทั้งจุดหมายระยะยาวจุดหมายระ ย, ยะยสั้นเฉพาะหน้าอย่างน้อยจุดหมายในปี249 5เนี่ยที่เด่นที่สุดคืออะไรเราจะต้องทําอะไรให้สําเร็จตั้งไว้แล้วก็ตั้งตน ให้แน่วแน่มุ่งหน้าสู่จุดหมายนั้นให้บรรลุผลให้ได้แล้วไม่ควยไม่เควไม่แฉลบถลายทะเลออกไปนอกทางอันนี้สำคัญมากเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้มีสิ่งล่อเรายาวยวนมากเด็กๆนี้มกักจะถูกสิ่งล่อเรายาวยวนเนี่ยจูงให้ถลายเฉยออกไปจากทางนั้นเราจะต้องมั่นแน่วแน่ในการเดินทางนี้ไปสู่จุดหมาย ข้อนี้ถ้าเรียกว่าตั้งตนไว้ชอบหรือตั้งตนให้ถูกที่เรียกว่าอัตตสัมมาปณิทิก็4ข้อนี้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะประสบความสําเร็จก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนไม่เฉพาะในระดับบุคคลแม้แต่ในระดับประเทศชาติก็เช่นเดียวกันอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าประเทศชาติสังคมจะต้องมีจุดหมายรวมบ้างอย่างประเทศสมัยก่อนที่เขาบารลุเป้าหมายเป็นประเทศยิ่งใหญ่เป็นมหาอำนาจอะไรเนี่ย ปกติเขาก็ต้องมีจุดหมายรวมในบางประเทศก็มีชาตินิยมที่แรงกล้าแต่ว่าสําหรับเราเราต้องมาคิดกันว่าจุดหมายอะไรจะดีที่สุดที่เป็นจุดหมายที่เป็นไปเพื่อการสร้างสารรค์แท้จริงที่เป็นคุณทั้งแก่ประเทศของตนเองสังคมของตนเองแล้วก็เกื้อกูลต่อโลกไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยแต่ว่าต้องมีไม่ใช่ว่าอยู่กันไปเรื่อยๆไปป่วยวันๆหนึ่งเคว้งคว้างเลื่อนลอยก็เอาละนี่ก็ทุกระดับ จะต้องมีจุดหมายแล้วก็ตั้งตัวแน่วแน่ดำเนินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายนั้นธรรมะสี่ประการนี้ขอทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นมีปฏิรูปประเทศสวสระอยู่ในถิ่นที่เหมาะอยู่ในถิ่นที่เหมาะถ้าถิ่นนั้นมันยังไม่เหมาะเช่นบ้านเมืองมันยังไม่ดีไม่เรียบร้อยก็ต้องทําให้มันเหมาะก็ต้องช่วยกันทําให้มันดีให้ได้ใครอยู่บ้านของตัวบ้านของเรายังไม่ดียังไม่น่าอยู่อาศัย ยังไม่ปลอดภัยไม่มัน่นคงก็มาแก้ไขปรับปรุงทําให้เรียบร้อยดี 2. ก็สัพพุริสูปัษยะเขาหาคนดีก็นี่ก็ทุกระดับไปจนกระทั่งผู้บริหารประเทศชาติก็ต้องมีคนที่มาแวดล้อมที่มารับใช้ทํางานทําการที่ดีงามที่ตั้งใจจริงซื่อตรงมีความมุ่งหมายที่จะสร้างสารรค์ประเทศชาติเป็นต้นแล้วต่อไปสก็ ปุเพกตะปุญญาตามีคุณความดีที่เตรียมไว้ให้พร้อมแต่ต้นและข้อสี่ก็อัตตสัมมาปณิทิตั้งตนไว้ชอบธรรมะสี่ประการนี้ชาวพุทธจำนวนมากก็รู้ดีเรียกว่าอะไรเรียกว่าจักสีจักสีนี้ก็มาต่อกับอิทธิบาสีอิทิบาสีนั้นแปลว่าเท้าสี่เท้าที่นำไปสู่ความสำเร็จทีนี้เรามีจักสีทีนี้เป็นสี่ล้อเลย เมื่อกี้นี้เอาแค่เท้าตอนนี้ติดล้อเลยได้สี่เท้าก็ก้าวไปสู่ความสําเร็จแล้วตอนนี้ไม่ใช่แก้ก้าวเท่า น, นั้นแล้วติดล้อแล้วนาได้จากสี่นี้ติดล้อเลยถ้าเป็นประเทศชาติในก้าหน้าไปแข่งขันในระดับโลกได้สบายไปสู่ความสําเร็จไม่ต้องห่วงเพราะนั้นวันเนี้เราเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปในปีใหม่2องพนี้ี่เตรียมทั้งเท้าทั้งล้อเลยนี่เท้านี่ท่านให้ทั้งสี่เท้าเนี่ย เราแค่สองเท้ายังไม่ก็จะยอมก้าวท่านแถมให้อีกสองเท้ากันอิธิบาต4ี่เท้า4ี่เท้าไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ติดล้ออีกสี่ล้ออย่างนี้แล้วก็เดินก้าวหน้าไปได้เข้าหลักที่ว่าเราจะทําตนให้พร้อมที่จะพึ่งตนเองได้อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าพูดตัต้นแล้วนี่ตอนนี้เราต้องพึ่งตนเองไม่ใช่ไปมัวหวังพึ่งภายนอก อย่างที่ว่าไม่ใช่ไปมัวหวังพึ่งฤทธิ์การโดนบันดาลของผู้อื่นไปหวังพึ่งเลข4ี่สิบเ้าเลขเก้าอะไรก็ไม่พอต้องก้าวได้ตัวเองให้ได้การก้าวได้ตนเองก็คือการพึ่งตนเองการพึ่งตนเองนี้ก็พึ่งได้ยังไงคนที่จะพึ่งตนเองก็ต้องมีตนที่พึ่งได้อันนี้สําคัญมากนะต้องถามตัวเองหมาฉันจะพึ่งตนอ้าวแล้วคุณมีตนที่พึ่งได้หรือเปล่า ถ้าคุณจะพึ่งตนแต่คุณมีตนที่พึ่งไม่ได้เช่นว่าไปตกน้ําว่ายน้ําไม่เป็นก็คือมีตนที่พึ่งไม่ได้แล้วจะพึ่งตนยังไงก็ตายจมน้ําอีกเพราะฉะนั้นหลักพึ่งตนเนี่ยท่านบอกต่อไปว่าฉันจะพึ่งตนก็ถามว่าแล้วมีมีตนที่พึ่งได้หรื อ, อยังแล้วถ้ามีตนที่ยังพึ่งไม่ได้ทําไงก็ต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนนั้นขึ้นไป เพื่อทำตนนั้นให้เป็นที่พึ่งได้ตอนนี้แหละพุทธศาสนาจะมาตรงนี้จุดสำคัญมากนั่นต้องทำให้ครบสามขั้นตอนคือหลักความจริงมันมีอยู่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยที่พึ่งติดแท้ก็คือตัวเรานี่แหละใครจะห่วยจะให้เราพึ่งแค่ไหนพ่อแม่จะรักเราแค่ไหนทำให้เราทั้งหมดแค่ไหนในที่สุดแม่ก็เอาข้าวใส่ปากแล้วยังไม่ยอมเคี้ยวเลยเนยะไม่ยอมพึ่งตนมนไปไม่รอด หรือว่าอย่างที่ว่าไปตกน้ำเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไว้ก็เรียกว่าพึ่งตนไม่ได้ก็ลําบากใครจะไปช่วยยังไงมันก็สู้ตัวเองไม่ได้ในที่สุดแล้วจิตใจของตัวเองอะที่เรามีทุกมีอะไรต่างๆเนี่ยในที่สุดก็พึ่งพึ่งตัวเองเราก็ต้องอยู่กับจิตใจของตัวเองนั้นเราจะต้องพัฒนาตัวเราทาั้งทางด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจแล้วโดยเฉพาะปัญญาเนี่ย ให้พร้อมถ้าเรามีปัญญาพร้อมนี่เราจะพึ่งตนได้อย่างแท้จริงมีปัญหาทุกอย่างแก้ได้มีปัญหาในจิตใจตัวเองก็แก้ได้มีทุกเกิดขึ้นก็แก้ได้คนอื่นมาช่วยมาแนะนำอะไรต่างๆถ้าเราไม่เกิดปัญญาไม่ยอมเข้าใจนี่มันไปไม่ไหวนั้นในที่สุดท่านบอกความจริงแล้วก็คือตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้จะพึ่งตนก็ต้องมีตนที่พึ่งได้และทําไงจะมีตนที่พึ่งได้ ก็ต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนนั้นขึ้นไปอันนี้หลักใหญ่ที่สุดเพราะนั้นปี2549ก็คือเป็นปีที่เราจะต้องใช้หลักนี้ให้เต็มที่เพราะหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นหลักพึ่งตนเองที่ในหลวงพระรจชาทหานไว้แล้วกับหลักอะไรก็แล้วแต่ที่เราสอนกันภาษาศาสนาก็สอนมาตลอดเวลาให้พึ่งตนและเราก็ย้ากันตลอดเวลาว่าให้พึ่งตัวเอง แต่ว่าอย่าลืมว่าจะพึ่งตนนั้นต้องมีตนที่พึ่งได้ทีนี้จะมีตนที่พึ่งได้ก็ต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนนั้นขึ้นไปก็คือกระบวนการที่จะทําตนให้เป็นที่พึ่งได้อันนี้คือพุทธศาสนาทั้งหมดขอให้เข้าใจเด่นน ะ, ะพุทธศาสนาทั้งหมดคือกระบวนการทําตนให้เป็นที่พึ่งได้ไม่ใช่มาติดอยู่แค่ให้พึ่งตนเพราะว่าถ้าสอนแค่นั้นแล้วแล้วมีตนที่พึ่งไม่ได้จะไปพึ่งยังไง คนจำนวนมากเนี่ยบอกพึ่งตนไปเจอคนตกน้ําเขาไหว้น้ําไม่เป็นก็บอกเขาว่าคุณอัตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนะทําไงละ่ะคนที่ไหว้น้ําไม่เป็นแกก็ตายท่ันเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาแค่นั้นตนเป็นที่พึ่งของตนนะ้เป็นหลักความจริงแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําก็คือหลักต่อไปว่าต้องมีตนที่พึ่งได้แล้ว จะมีตนเป็นที่พึ่งได้ก็ต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนนั้นคือไปและเราก็จะมีตนที่พึ่งได้ในทุกระดับเริ่มแต่ระดับบุคคลถามว่าระดับตัวเราส่วนตัวเราพึ่งตน เ, เองได้ไหมมีตนที่พึ่งได้หรือเปล่าเนี่ยเด็กทุกคนจะต้องถามตัวเองนเรามีตนที่พึ่งได้ไหมที่คุณพ่อคุณแม่มาให้เราเล่าเรียนศึกษาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็เพื่อให้เธอมีตนที่พึ่งได้ให้หนูมีตนที่พึ่งได้ เพราตอนนี้เรายังมีตนที่พึ่งไม่ได้ก็เลยต้องมาทําตนให้เป็นที่พึ่งให้ได้ทีนี้มีตนที่พึ่งได้ระดับบุคคลต่อไปก็มีตนที่พึ่งได้ระดับชุมชนชุมชนแต่และชุมชนก็ต้องมีตนที่พึ่งตนได้เหมือนกันก็ต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนขึ้นไปต่อไปก็มีตนที่พึ่งได้ในระดับประเทศชาติก็เช่นเดียวกันก็ต้องพัฒนาประเทศชาติก็คือพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพคนเนี่ย ให้มีสติปัญญามีความสามารถแล้วเราก็จึงจะสามารถพึ่งตนได้อย่างแท้จริงปีใหม่ 249. นี้ก็อย่างที่กล่าวแล้วเป็นปีที่เราจะต้องก้าวไม่ใช่หยุดอยู่กับที่และกล้าวโดยไม่ใช่อาศัยเพียงลำพังโชคลางตัวเลขให้เขาก้าวไปแล้วตัวเองไม่ทำอะไรต้องก้าวไปแล้วก็ก้าวไปโดยมีกำลังที่จะก้าวแล้วก็ก้าวไปโดยมีสติปัญญารู้ว่าจะก้าวไปไหน แล้วก็มีภัยอันตรายอุปสรรคอยู่ตรงไหนมีหลุมมีเหวอยู่ตรงไหนจะต้องไ ม, ม่ตกหลุมตกเหวนั้นแล้วก็สามารถใช้เท้าทั้งสี่ใช้ล้อทั้งสี่นี้ก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุผลสมความมุ่งหมายนั้นแล้วกระบวนการนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการพึ่งตนขึ้นตลอดเวลาการพัฒนาที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการพัฒนาความสามารถในการพึ่งตนเองเพราะนั้น คนไทยนี่จะต้องใช้หลักนี้ให้เต็มที่ในปี 2,549 ถ้าต้องการให้ปี 2,549 เป็นปีแห่งการก้าวไปก็จะต้องไม่ลืมหลักนี้เป็นอันขาดาจะไปมัวหวังพึ่งภายนอกอยู่พึ่งไม่ได้ตอนนี้เราเพียงแต่ว่าทำใจดีๆเริ่มต้นด้วยจิตใจสบายผ่อนสายเบิกบานแต่ว่าอย่าไปหยุดแค่นั้นถ้าไปหยุดแค่ว่าเออ ปีสีเก้าเป็นเลขดีนะเป็นสิริมงคลพอาะแค่นั้นแล้วทีนี้ก็ปล่อยอยู่เพ่งความเรื่องลอยกลายเป็นคนประมาทคลายเป็นคนประมาทก็ท่านบอกความประมาทเป็นทางความตายอาจจะนั้นหยุดไม่ได้ต้องก้าวด้วยตนเองวันนี้เป็นอันว่าเรามาพูดกันถึงเรื่องปีใหม่แล้วทุกคนก็มีใจร่วมกันว่ากำลังจะทิ้งปีเก่าไปขึ้นปีใหม่ อย่าทิ้งร้ายนะัต้องทิ้งดีๆ ด, ด้วยปีเก่าก็ต้องทิ้งให้ดีทิ้งให้มันมีความหมายในเถิงที่ที่จริงแล้วปีเก่าเนี่ยดีเป็นประโยชน์มากก็คือเป็นทุนของเราที่จะทําให้เราเก้าวไปได้ในปี49ถ้าเราไม่มีปี48ที่ดีเราจะก้าวไปสู่ปี49ให้ดีได้ยากดะงนั้นเราก็ต้องทําปี48ให้ดีถ้ามันไม่ดีก็ถือเป็นตัวเตือนสติ เป็นบทเรียนแก่เราในการที่เราจะได้เตรียมกา ร, พรเพื่อก้าวไปในปี49ให้ดีที่สุดวันนี้ก็ขอให้กำลังใจสนับสนุนแก่ทุกท่านในการที่จะสร้างความพร้อมในการที่จะก้าวไปในปี2549โดยที่ว่าเวลานี้ต้องดูว่าข้างๆเรานั้นการเวลาเขากำลังก้าอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะก้าวเท่านั้นที่จริงนั้น ตัวแท้ก็คือการเวลานั่นแหละที่ก้าวไปที่ทำให้เกิดปีเก่าปีใหม่เมื่อการเวลาก้าวไปเราก็กำลังจะก้าวด้วยแล้วเราจะ ก, ก้าวย่างดีที่สุดให้ประสบความดีงามและความสาเร็จแล้วจะสาเร็จได้อย่างไรก็สาเร็จด้วยการใช้หลักที่ว่ามาแล้วก็คือว่าถ้าถือหลักพึ่งตนก็ต้องมีตนที่พึ่งได้แล้วก็จะมีตนที่พึ่งได้ก็ต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนนั้นขึ้นไป แล้วจะฝึกศึกษาพัฒนาตนขึ้นไปสามารถใช้หลักอิธิบาท4ก็ได้ก็คือใช้เท้าทั้ง4นั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ติดล้อทั้ง4อีกก็เลยก้าวไปอย่างรวดเร็วเลยบรรลุจุดหมายแน่นอนวันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาดีงามเป็นสิมมงคลเพราะเรามาพูดกันในทางที่ถูกต้องดีงามพูดธรรมะกันเราก็ทำให้การเวลานีที่จริงเป็นของกลางๆนี่กลายเป็นการเวลาที่ดี เป็นการเวลาที่ดีเป็นสิริมงคลก็เริ่มต้นดีแล้วต่อไปนี้เมื่อเริ่มต้นดีก็จะได้เดินหน้าไปอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพก้าวไปสู่ความสาเร็จความสุขความเจริญงอกงามในโอกาสนี้ที่ถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็ขอให้เราทั้งหลายมาทำให้เป็นสิริมงคลสมตามที่ถือนั้นด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมที่กล่าวมาซึ่งวันนี้ ได้นําเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแสดงไว้หลายหมวดหลายตอนเลือกใช้ได้แต่คนไหนทําได้ครบอันนั้นก็ดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องแข่งกันด้วยว่าไม่ใช่แค่เลือกเราจะทําให้ครบถ้าคนไหนทําได้ครบก็จะช่วยตัวเองและช่วยสังคมประเทศชาติให้ก้าวไปในปี2549สู่ความเจริญงดงามและความสําเร็จได้อย่างแน่นอน ในโอกาสมงคล น, นี้ที่จะก้าวไปสู่ปีใหม่ 2,149 ก็ขอตั้งจิตตั้งใจส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายโดยอารัธนาคุณพระรัตนตรยัยอวยชัยให้พรรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรยัยพร้อมทัางบุญกุศลคุณความดีที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญ ได้สั่งสมกันมาและตั้งใจทำความดีข้างหน้าต่อไปนี้จงเป็นพลังที่จะทำให้ทุกคนได้ประสบจตุรพิทพพรชัยจเจริญก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนในอาชีพการงานในการสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติและเกื้อนหนุนโลกนี้ให้ก้าวหน้าไปในสันติสุขตลอดการยั่งยืนนานทุกเมื่อเทิน